ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระพิ ส, สุทธสงฆ์สมเน็มวชีและอุบา ส, กบาสิกาฉงตั้งมันสร้างความเพียรสร้างความซื่อสัตย์ ต่อตนเองเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ที่เราพึงจะทำได้อยู่ในขณะนี้ได้พูดถึงเรื่องของกองสังขารไปเมื่อคราวที่แล้วว่ากองสังขานี้ก็คือกองทุก ทุกกองใหญ่ทีเดียวเราเก็บกองทุกไว้ทุกวันทุกวันทุกวันอย่างที่ได้บอกไปมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในกายอยู่ในใจของเรา เทียบเสมือนกองทุกข์แล้วก็ได้บอกไปว่าไม่มีอะไรดีเลยสิ่งที่อยู่ภายในกายของเรามีแต่กายเน่าๆมีแต่สิ่งเน่าเหม็นที่อยู่ในกายเราทั้งนั้นให้ผู้ประพฤติปฏิบัติทมได้พิจารณา ว่าไอ้กายเน่าๆของเรานี้เราให้อะไรกับมันบ้างคนเรามักจะคิดว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกมากเราลังมีเวลาเหลืออีกเยอะแต่เวลาสำหรับชีวิตของทุกคนในขณะนี้มันน้อยเหลือเกิน เวลาที่เราจะได้มาสวดมนต์ทำวัดเวลาที่เราจะได้มาฟังธรรมเวลาที่เราจะได้มาทำสมาธิกำหนดสติเพื่อให้เกิดสติปัญญาในการประพฤติปฏิบัติของเราเวลาที่เราจะมาฟังธรรมเพื่อให้ ทำไปเป็นเครื่องสอนเป็นเป็นเครื่องเตือนใจเราคิดว่าเรายังมีเวลาอยู่มากแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเรามีน้อยเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกที อายุการเป็นอยู่ของเราก็เริ่มน้อยลงแล้วเพราะชีวิตเราผ่านมานานเหลือเกินอายุของการเป็นอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนั่นคืออายุมันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงไปทุกทีทุกที สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมากขึ้นที่มันเพิ่มขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องลดน้อยลงไปเ <c oughs> มื่อกระทั่งหูของเราก็เช่นเดียวกันอย่างข่าวที่แล้วได้บอกไปครูเราจากที่เคยได้ยินได้ฟังมามากต่อมากเคยได้ฟีได้ยินได้ฟังมาหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ในขณะนี้เนี่ยหูเราก็เริ่มได้ยินน้อยลงให้พิจารณาให้ดีๆหูเราเริ่มได้ยินช้าลงหูเราเริ่มได้ยินไม่ถนัดในเสียงที่ผ่านเข้ามาตาของเราก็เช่นเดียวกันตาของเราก็มองเห็น เริ่มมองไม่เห็นมากขึ้นความที่มองเห็นเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงทุกวันจากเราที่เคยมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาบัดนี้เนี่ยตาเราเริ่มจะฟ้าฝางแล้วตาเราเริ่มจะมัวแล้วเริ่มจะมองอะไรไม่เห็น จมูกก็เช่นเดียวกันเราเคยรับรู้กลิ่นต่างๆได้ไวแต่ในขณะนี้แทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยที่ผ่านมาที่จมูกของเราลิ้นเราก็เช่นเดียวกันมันมีอายุน้อยลงน้อยลงไปทุกทีจากเราเคยรับรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็ม รถมันรถต่างๆเนี่ยมาวันนี้ลิ้นเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วฝ่ายลิ้นมันก็ชาไปหมดแล้วลิ้นมันแข็งไปหมดแล้วขาของเราสองข้างก็เช่นเดียวกันจากเคยมีเลี้ยวมีแรงเคยมีกำลังวังชาสามารถยกแขนยกขาเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่ว แต่มาทุกวันนี้สังขารเราร่างกายเรามีแต่ความเชื่องช้ามีแต่ความอ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันแต่เราก็ยังคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเวลาของเรายังเหลืออีกนาน แต่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้พิจารณามองให้เห็นในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ก็จะบอกวิธีปิดหลูรั่วที่อยู่ภายในกายของเราเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้เราไม่สังเกตเราก็จะไม่เข้าใจเลย เพราะร่างกายเราเนี่ยมีแต่รูรั่วทั้งนั้นสิ่งที่เป็นรูเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นสิ่งที่ดีได้เพราะมันเป็นรูมันเป็นรอยรั่วเป็นรอยเล้าเป็นรอยแตกซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนตำหนิที่มันอยู่ในร่างกายเรามันเป็นแผล มันเป็นแผลที่เรารักษามันไม่ได้มันเป็นแผลที่เรารักษามันไม่หายสักทีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาด้วยวิธีไหนเราไม่เข้าใจว่าจะใช้ยาอะไรไปรักษามันจะใช้อะไรไปบาบัดให้แผลนี้มันหายขาดไปได้เราจะใช้อะไรอุดรูที่มันเป็นรูรั่วภายในกายของเรา คิดต่อไปหูของเราก็มีรูตาของเราก็มีรูจมูกก็มีรูปากก็มีรูรวมไปถึงธรรวานนักทาวานเบาก็มีรูชีวิตทั้งชีวิตร่างกายทั้งร่างกายนี้เนี่ยมีแต่รอยรั่วมีแต่ทางเข้ามีแต่ทางออก บางครั้งเสียงที่มันเข้ามาในหูเนี่ยมันเข้ามาได้เพราะอะไรเพราะหูมันมีรูมันสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเล็ดรอดเข้ามาในหูเราได้เสียงอาจจะเข้าไปในหูของเราเพราะหูทำหน้าที่รับฟังจะเป็นเสียงหนักเสียงเบาเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำ จะเป็นเสียงใดๆก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้าไปในหูเราแล้วเนี่ยมันทําให้หูเราเป็นแผลทาให้หูเราอักเสบทําให้หูเราเจ็บทําให้หูเราเนี่ยเกิดโรคต่างๆมากมายเมื่ออะไรที่มันเข้าไปในรูหูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียง ไ ม, มไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นแมลงเป็นมัดเป็นเห็บเป็นเหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเข้าไปในหูเราได้เนี่ยมันก็ทำให้หูเราเจ็บเป็นธรรมดาน้ำก็อาจจะเข้าไปในหูได้ในขณะที่เวลาเราอาบน้ำในเวลาที่เราเล่นน้ำ ไฟก็สามารถเข้าไปในหูได้ไฟแห่งความเล่าร้อนไฟแห่งความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันไฟแห่งการสรรเสริญเยินยอการนินทาว่าล้ายซึ่งกันและกันนั่นคือไฟที่มันเข้าไปในหูของเราทำให้หูเราต้องเป็นแผลทำให้หูเราต้องอักเสบ แล้วเราลองคิดว่ามีอะไรบ้างที่มันเที่ยงแท้มันคงทนถาวรมีแต่จะเสื่อมลงไปทุกวันเสื่อมลงไปทุกวันไอ้หูเราสองข้างเนี่ยก็เฝ้าพยายามว่าวันนี้จะได้ยินเสียงอะไรไหมเนาะจะมีเสียงอะไรผ่านเข้ามาในหูเราไหมเนาะสิ่งที่เป็นมงคลมันจะเกิดขึ้นกับหูเราไหมเนาะเราก็คิดไป หรือว่าเรามีความคิดมีความปรารถนาว่าวันนี้เนี่ยเราอยากโดนดา่าวันนี้เราอยากให้คนอื่นนินทาถ้าเราคิดอย่างนั้นเรากคงเป็นคนบ้าแล้วแหละเราก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าเราจะรักษามันยังไงไอ้รูรั่วต่างๆเนี่ยตามันก็มีรูรั่วมีรูที่ทําให้ตมน้ําตาเนี่ยมันแตก ทำให้น้ําตาเนี่ยมันไหลออกมาทางลูม้างลูกตาทั้งสองข้างมันขับของเสียมันขับสิ่งที่ไม่ดีออกมาทางนั้นหูก็ยังต้องขับขี้หูออกมาเลยเพอถึงเวลาเนี่ยมันขับสิ่งสกปรกโสกโขกออกมาทางนั้นเลยน้ําในหูบางทีมันก็ขับออกมามันก็ไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัว อาจจะทำให้หูเนี่ยเป็นหูหนวกหูตึงมีแต่โลกทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่มาคํำค่าชีวิตเราไปทั้งนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวตาของเราก็มีรูร่วเช่นเดียวกันรูร่รวบเปรียบเสมือนบาดแผลที่โดนกีดเราลองนึกถึงลูกตาเราเปิืกตาเรา เหมือนรอยบาดแผลที่โดนกีดให้มันเป็นแผลอยู่ตั้งแต่เราเกิดจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังรักษาแผลนี้ไม่หายเลยแล้วเราลองนึกถึงขณะนี้ขณะที่เราหลับตาลงเหมือนเรากำลังรักษาแผลให้ตาเราอยู่ให้ตาเราปิดสนิทเปรียบเสมือนการที่เรากำลังรักษาแผลอยู่ถ้าตามันเปิดทั้งวันเนี่ย มันก็ทำให้ตาเราเจ็บได้เช่นเดียวกันมองทั้งวันก็ทำให้ตาเราเจ็บได้เช่นเดียวกันเราลืมตาทั้งวันโดยที่ไม่พักไม่ผ่นให้กับตามันเลยเนี่ยมันก็สามารถทำให้ตาเราเจ็บได้เช่นเดียวกันเมื่อตาเราเจ็บเมื่อตาเราอักเสบเมื่อตาเราเริ่มมีปัญหาสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี แล้วก็ไม่ไม่มีอะไรดีเลยต่อไปตาเราก็ต้องฟ้าฝางไปในที่สุดเยื่อในตาก็อักเสบอาจจะเป็นต้อกระจกบ้างอาจเป็นต้อหินบ้างจะต้องไปลอกมันออกมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้มันเป็นส่วนเกินของตาเราไปแล้ว เราใช้สายตาไปนานๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะสั้นบางครั้งมันก็อาจจะยาวมองไกลก็เริ่มไม่เห็นมองใกล้ก็เริ่มไม่เห็นสายตามันเริ่มมืดบอดลงไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเห็นแต่ความมืดมัวเห็นแต่ความเรือนรางไปทุกทีทุกทีทุกทีเป็นอยู่ทุกขณะ ถ้าเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าแผลที่ตาที่มันเป็นเลือดหลังอยู่ตั้งแต่เราเกิดจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราหาโอกาสรักษาตามันได้มากแค่ไหนเราเคยดูแลสายตาเรามากน้อยแค่ไหนต่อให้เราสายตาดีแค่ไหนสุดท้ายเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีตาเราก็ต้องบอดลงการมองเห็นก็ต้องมืดลง จากเราที่มองเห็นแต่แสงสว่างชัดเจนแต่ทุกวันนี้แสงสว่างที่เราเห็นมันก็เริ่มรีบรปี่ลงเริ่มรีบรปี่ลงความชัดเจนก็กลายเป็นความไม่ชัดเจนไปแม้กระทั่งน้ำตาก็ต้องเหือดแห้งไปน้ำในตาก็ต้องหมดไปเมื่อน้ำในตามันหมดน้ำตามันแห้งเราก็ไปสรรหาน้าตาเทียมมาหยอดให้มันอีก วัิรักษามันไว้แต่สิ่งที่เราเพิ่งจะรักษามันได้ก็คือในขณะนี้เราได้หลับตาลงเปรียบเสมือนการที่เรารักษาแผลให้กัะตาเราปิดตาให้สนิทแผลมันก็จะปิดไปได้และรณะนี้หูเราละ่ะ จมูกขอโทษทีครานี้จมูกของเราก็เช่นเดียวกันจากที่เราเคยมีกำลังจากที่เราเคยมีแรงความสูบฉีดการเต้นของหัวใจก็จะขับขับลมออกมาจากในท้องขับลมให้เป็นปกติลมแรงบ้างลมเบาบ้างเป็นปกติของลมที่เราขับออกมาแต่ปัจจุบันนี้ล่ะ ลมที่มันเข้าออกเข้าออกรูกจมูกเราทั้งสองข้างเนี่ยนี่มันก็คือแผลเช่นเดียวกันเพราะเราคิดว่าลมที่มันผ่านเข้าผ่านออกรูกจมูกทุกวันเนี่ยมันมีทั้งลมร้อนมีทั้งลมเย็นถ้าเราลองสังเกตให้ดีๆเนี่ยเราจะรู้เลย พลมที่ลอดออกมาจากรูกจมูกเราทั้งสองข้างในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราลองสังเกตว่ามันเป็นลมร้อนหรือลมเย็นถ้าลมร้อนออกมาเนี่ยแสดงว่าใจของเราอย่างสับสนอย่างวุ่นวายยังหาความสงบให้จิตใจของตัวเองไม่ได้ มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความรุ่มหลงมีแต่ความคิดที่ชั่วๆยังเกิดขึ้นอยู่ในใจมันก็จะขับเป็นลมร้อนออกมาแต่ถ้าใจเรามีความสงบนิ่งใจเรารู้ใจเราเข้าใจในการปฏิบัติมันก็จะขับเป็นลมเย็นออกมาแล้วเราลองคิดดูว่า ไอลมที่พงจมูกที่มันเข้าออกอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันเข้าได้เพราะอะไรเพราะจมูกมันก็มีรูเช่นเดียวกันมันเป็นรูที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างกลิ่นอาจจะเหม็นบ้างอาจจะหอมบ้าง กินนี้อาจจะสาบเกินไปกินนี้น่าจะได้กลิ่นแล้วทำไม่รู้สึกใจเราไม่ปรารถนามันก็อยู่ที่ว่าใจเรามีความต้องการอย่างไรเมื่อเราได้กลิ่นรูจมูกเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นช่องมันเป็นรูเดินทางของลมเพียงเท่านั้นแต่เราก็ลองคิดดู แม้กระทั่งลมหายใจของเราในขณะนี้เนี่ยมันก็เริ่มแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเหมือนคนใกล้จะตายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกําลังหายใจที่จะเอาลมยาบร์เรลมดีเข้าไปในกายของเราลมที่ดีเนี่ยเราก็ขับเข้าไปให้ร่างกายเราไม่ได้ลมยาบที่อยู่ภายในร่างกายเราก็ขับมันออกมาไม่ได้ พลมหายใจเนี่ยเกือบจะหมดลงแล้วลมหายใจเกือบจะถึงเนื่อสุดท้ายแล้วลมหายใจมันรวยละลินเหลือเกินมันก็แผ่วลงแผ่วลงแผ่วล ง, ลลงบางครั้งลดจนเราไม่อยากหายใจเข้าไม่อยากหายใจออกแล้วอยากให้มันหมดลมไปด้วยซ้าไปในขณะบางครั้ง ชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อมีรูเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถเข้าไปได้จมูกของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้าออกเข้าออกทางจมูกเราเนี่ยก็ทําใหา้จมูกของเราเนี่ยเป็นแผลจมูกของเราเนี่ยเป็นโรคอาจจะเป็นโพรงจมูกอักเสบเยื่อโพรงจมูกก็อักเสบอาจจะเป็นไสนัด อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้อาจจะเป็นโรคแพ้อากาศโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูกก็เราลองคิดเราลองพิจารณาสิ่งที่มันเข้าสิ่งที่มันออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำลายและทำร้ายชีวิตทำร้ายใจเราทุกวันแต่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้พิจารณาให้ดีๆ ว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรต่อไปก็คือปากของเราเนี่ยเราก็ลองคิดลองพิจรารณาปากไว้ทําหน้าที่ที่จริงปากไว้ทําหน้าที่คือกินปากเอาไว้กินเอาไว้เคี่ยวในเรื่องของอาหารที่จะต้องลงไปในท้องเพื่อประทังชีวิตของเรา ปากก็เป็นรูเช่นเดียวกันปากก็เป็นแผลเช่นเดียวกันตั้งแต่เราเกิดจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็รักษาแผลที่ปากเราไม่หายสักทียังไงปากมันก็ต้องเป็นแผลปากมันก็ต้องอักเสบปา ก, กมันก็ต้องเจ็บอยู่ทุกวันแต่ในขณะ น, นี้เรากำลังทำสมาธิอยู่ ก็เปรียบเสมือนเรากำลังรักษาแผลให้ปากเราอยู่แผลเราเริ่มปิดลงแต่มันยังปิดไม่สนิทเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยแผลมันก็ต้องเปิดอีกถ้าเราเริ่มขยับมันแสดงว่าแผลมันก็จะเริ่มเปิดพอแผลเริ่มเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็เริ่มทำงานอีกแล้วเราก็เริ่มพูด เริ่มพูดสิ่งนี้เริ่มพูดสิ่งนั้นพูดไปต่างๆนานาปากเนี่ยที่จริงไว้กินอย่างเดียวแต่เราคิดว่าเราไว้พูดก็ได้เราไว้ทำลายอื่นก็ได้ไอ้ปากของเราเนี่ยมันน่ากลัวและโลกที่เกี่ยวกับปากเนี่ยต่อไปกำลังที่เราจะ เคี้ยวอาหารก็เคี้ยวไม่ไหวฟันจากที่เราเคยมีสามสิบสองซี่มันก็ค่อยๆทยอยหลุดไปทีละซี่ทีละซี่จนแทบจะไม่เหลืออะไรสิ่งที่ได้รับกลับมาคือฟันปลอมเราก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะสรรหาให้กับปากมันเหล็กดัดฟันบ้าง แงสีฟันยาสีฟันั่งที่เราต้องรักษาเพราะปากมันเป็นส่วนที่เหม็นปากมันเป็นเป็นส่วนที่สกปกเพราะปากเนี่ยสิงสาราสัตว์เนี่ยมันผ่านช่องปากเราไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาที่มันผ่านเข้าไปทางปากเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สกปกมันเป็นสิ่งที่โสโคร มันเข้าไปแล้วมันก็ออกกลับคืนมาไม่ได้แล้วไอ้สิงสาราสัตว์เนี่ยเพราะทางเข้ามันแคบทางออกมันก็แคบเช่นเดียวกันพอทางเข้ามันแคบเนี่ยพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ออกมายากไอ้ส WA ิงสาราสัตว์ที่มันเข้าไปอยู่ภายในกายเราเนี่ยมันเข้าไปทางปากเนี่ยเราก็ลองพิจารณาว่ามันมากมายแค่ไหนแล้วที่มันผ่านเข้าไป หมเนี่ยผ่านปากเราเข้าไปกี่ตัวแล้วเป็ดผ่านเข้าผ่านปากเราเข้าไปในท้องกี่ตัวแล้วสิงสารสาัตว์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โสโคกเป็นสิ่งที่โสโครกนี่คือสิงสารสาัตว์และสิ่งที่มันเข้าผ่านช่องปากเราเข้าไปเข้าไปมันก็ไปหมักหมมอยู่ในกายเรา เันไปหมักหมมอยู่ในกายเรานี้เนี่ยอันนี้ไอ้สิงสาราสัตว์ที่เรากลืนกินมันเข้าไปเนี่ยมันก็อยากจะออกมาจากใจของเรามันก็ส่งผลให้ใจของเราเนี่ยเริ่มทํางานส่งผลให้ใจของเราเนี่ยเริ่มทําหน้าที่สิงสาราสัตว์เนี่ยมันก็อยากจะออกมา พอมันหาทางออกไม่ได้มันก็ต้องออกมาทางปากไอ้เหี้ยบ้างแหละไอ้สัตบ้างแหละเนี่ยมันก็เริ่มคานออกมาคานออกมาจากท้องออกมาทางช่องปากไอ้เลวบ้างแหละไอ้ชั่วบ้างแหละไอ้ชิบหายบ้างแหละไอ้เวนบ้างแหละนี่คือมันออกมา มันก็พยายามไหลออกมามันพยายามดิ้นหล่นออกมาให้ได้เพราะเรากินกินมันเข้าไปเยอะมันพยายามดิ้นมันพยายามออกมาให้ได้มันก็ออกมาทางปากทำให้ปากเราเนี่ยเป็นแผลทำให้ปากเราเปื่อยทำให้ปากเราเน่าทำให้ปากเราติดเชื้อโรค สิ่งที่ผ่านออกมาทางปากเราเนี่ยบาดแผลที่ปากได้รับมีเยอะแยะมากมายไปหมดอาจจะช่องปากเนี่ยอาจจะเป็นแผลปากจะติดเชื้อเงืบ อ, อาจจะล้นฟันอาจจะล่วงไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างเมื่อมันเข้าไปแล้ ว, ลวเราปล่อยให้มันออกมาอีกเพราะปากก็มีรู ทุกอย่างทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นแผลทั้งนั้นเลยเราจะรักษามันยังไงให้มันหายแผลกระทั่งทวารหนักทวารเบาก็เช่นเดียวกันนี่เขาเรียกทวารทั้งเก้าที่ได้พูดมาตั้งแต่เบื้องตนน้นหูสองข้างตาสองข้างจมูกสองรูปากหนึ่งรูทวารหนักหนึ่งรูทวารเบาหนึ่งรูนี่เขาเรียกว่าทวารทั้งเก้า ที่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาที่มันปิดไม่ได้เมื่อตวานทั้งเก้ามันเปิดเนี่ยเราก็ได้พิจิตพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาในทวานทั้งเก้าเนี่ยมันเข้ามายังไงมันเข้ามาแบบไหนเมื่อมันเข้ามาอยู่ในกายเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วเนี่ยเราจะเอามันออกอย่างไรเราจะเอามันออกเช่นไรแล้วเราจะปิดยังไงไม่ให้มันเข้ามาอีก ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่เราพึงพิจารณาอยู่เป็นประจำองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พิจารณาความเป็นไปในสังขารของเราอย่างที่บอกไว้ในเบื้องต้นให้พิจารณาอยู่เป็นประจำเลยห้าอย่างสี่อย่างสมอย่างสองอย่างก็แล้วแต่ว่าพิจารณาว่าสังขาร น, นี้ไม่ใช่ของเรา มันมีวันเสื่อมไปธรรมดาอย่างแน่นอนแต่เราจะพิจารณาได้หรือพิจารณาไม่ได้ต่อไปชีวิตและร่างกายของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะมีแต่บาดแผลทั้งร่างกายเลย mm hmm. เมื่อเราทนพิษบาดแผลไม่ไหวสุดท้ายเราก็ต้องตายอยู่ดีเพราะว่าพิษบาดแผลที่อยู่ในร่างกายเรานั้นมันเยอะเหลือเกินมันทำให้ชีวิตเราต้องเจ็บทำให้ชีวิตเราต้องทุกข์ ทำให้ชีวิตเราต้องเจอกับความบอบช้ำ ม, มาทั้งชีวิตเลยเพราะนั้นขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในวันต่อไปบาดแผลที่มันอยู่ในกายและใจเราเนี่ยเราต้องรักษาด้วยตัวเองเราพยายามดูแลมันให้ดีๆว่าบาดแผลที่มัน ทำให้เราต้องเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบาดแผลที่ตรงไหนที่มันเจ็บมากตรงไหนที่มันเจ็บน้อยหรือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากหูมันเจ็บมากกว่าหรือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นจากตามันเจ็บมากกว่าหรือบาดแผลที่เกิดขึ้นจากจมูกมันเจ็บมากกว่าหรือว่าบาดแผลมันเกิดที่ปากแล้วทําให้เราเจ็บมากกว่าเราก็ไปพิจารณาไว้ เพื่อจะได้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะได้ตามทันเราจะได้รู้และเราจะได้เข้าใจทันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าไปในกายและใจของเราเพราะเราปิดรูรั่วไม่ได้เพราะกายเรามีรูรั่วใจเรายังมีรูรั่วเลยเพราะนั้นเราก็ต้องเฝ้าปิดรูรั่วให้ได้เอาละ เช้านี้ก็ขอให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรแมชีและอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ไปคิดพิจารณามองให้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกายและใจของเราเราต้องเฝ้าเราต้องระวังเราต้องดูให้ดีๆอย่าให้บาดแผลที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันติดเชื้อแล้วก็เป็นเลือดหลังไปจนตาย ก็าค่อยลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำพร้อมพับพระภิกษุส่งอีกครั้งหนึ่ง